ยาซีเรียบเรื่องเครื่องปรุงแต่งรสชาติของชีวิตวันหนึ่งในฤดูหนาวจัดขณะที่พระราชานั่งเลื่อนข้ามแม่น้ำ พระองค์ก็เลือบไปเห็นชายคนหนึ่งกําลังฟอกหนังสัตว์อยู่ในน้ำที่เย็นเป็นน้ำแข็งจึงบัญชาให้คนขับเลื่อนหยุดแล้วพระราชาก็เดินไปหาคนฟอกหนังทำไมฮาจึงปลดเปลื้องเจ็ดไม่ได้พระราชาถามทั้งๆที่งงกับคำถามของพระราชาแต่คนฟอกหนังก็ใช้ปัญญาคิดอย่างรวดเร็ว เพราะสาจะไม่รอกพะยะค่ะเขาตอบถึงทีที่พระราชาจะงงบ้างพระองค์คิดความหมายของคําพูดคนฟอกหนังไม่ออกดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้เขาไปที่พระราชวาวังในวันรุ่งขึ้นเจ้ารู้ความหมายของสิ่งที่ข้าพูดกับเจ้าเมื่อวานนี้หรือเปล่าพระราชาตรัสถาม ทราบพยะค่ะ 5. หมายถึงจำนวนเดือนที่อากาศอบอุน่นและ 7. คือช่วงอากาศหนาวเขาตอบและ 32. ข้าพระองค์หมายถึงฟันของคนทั้งหมดนี้เป็นจำนวนที่บอกถึงความจริงที่ว่าเดือนที่อากาศอบอุ่นหเดือนไม่อาจจะทำมาหากินให้พอกับฟัน32ซี่ได้ และด้วยเหตุนี้ข่าพระองค์จึงต้องทำงานในช่วงเจ็ดเดือนที่เป็นฤดูหนาวด้วยพระราชาพอพระทัยกับคำตอบและความช่างคิดของคนฟอกหนังมากถึงกับพระราชทานเหรียญทองให้เขา30บเหรียญแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าคนฟอกหนังใช้เหรียญทั้ง30เหรียญไม่ได้ จนกว่าจะเข้าเฝ้าพระราชาจนครบสิบครั้งเวลาผ่านไปคนฟอกหนังต้องการใช้เงินเพื่อซื้ออาหารให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านแต่เขาไม่มีเงินเลยนอกจากเหรียญทองของพระราชาเขาจึงเริ่มใช้ความคิดว่ามีวิธีอย่างไรที่จะใช้เหรียญเหล่านั้นโดยไม่ทำให้พระราชาพิโรธในที่สุด เขาก็คิดได้และใช้เหรียญทองจนหมดมีคนรู้เรื่องนี้และนำเรื่องไปทูลพระราชาเขาจึงถูกเรียกไปยังพระราชวังอีกครั้งทำไมเจ้าจึงไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้พระราชาซึ่งกําลังพิโรธตรัสถามข้าแต่พระองค์ก่อนหน้าที่ข้าพระองค์จะใช้เหรียญเหรียญหนึ่งนั้น ข้าพระองค์ได้พลิกเรียนไปทางด้านที่มีพระฉายาลักษณ์ของพระองค์และก็ดูรูปนั้นสิบครั้งดังนั้นข้าพระองค์ก็ไม่ได้ทำผิดข้อตกลงพระราชาทรงพระสวนจริงทีเดียวที่คนฟอกหนังได้ทําตามที่เขาได้ตกลงไว้ไปตามทางของเจ้าเถิดพระราชาตรัสข้า จะไม่ลงโทษเจ้าเพราะความมีปัญญาของคนเป็นเครื่องปรุงแต่งรสชาติของชีวิต